ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงทรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรมาโดยลำดับวันก่อนได้กล่าวบทสรุปในคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้าทรงสอนว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมปินายนี้พิจารณาเห็นกายในภายในอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมมัชัญญะมีสติสตินั้นตามปกติแล้วเราก็ั้ลึกไปในการทั้ง3คือการที่เป็นอดีตการที่เป็นปัจจุบันและการที่เป็นอนาคต แต่ในการเจริญกรรมาฐานนั้นก็เน้นไปที่การตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายในขณะนั้นๆทส่วนรายละเอียดส่งแสดงไว้ในช่วงต่อไปแล้วก็ระลึกถึงในเรื่องอนาคตสติที่เป็นการระลึกถึงอดีตเราก็เรียกว่าระลึกได้ ที่ปัจจุบันก็เรียกว่าระลึกทันที่เป็นอนาคตก็าเรียกว่านึกออกหรือนึกได้เพื่อให้ใจมันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดระลึกคําว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่เราใช้กําหนดระลึกจะเป็นกายเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมเป็นอะไรก็ตามสรมุปรวมเรียกว่าอารมณ์ ประการต่อไปก็ทงใช้คำ เ, เหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนเป็นพิจนาจิตคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติระลึกถึงเวทนาคือการที่จิตสะเวอารมณ์ สุก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามทีนี้เวตนานั้นชงจาแนกแสดงไว้หลายระดับด้วยกันแต่สรุปแล้วก็คือเวทนาขันนั่นแหละเพียงแต่ว่าแสดงไว้หลายหลายปริยายือหลายนัยยะบางครั้งก็เป็นเวทนาหนึ่งเช่นเวทนาขันบางครั้งก็เป็นเวทนาสองเป็นสุขเป็นทุกข์ บางครั้งก็เวทนาสมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอาทุกข์ามสุขบางครั้งก็เป็นเวทนาหสุขโสมนัสทุกโธมนัสแล้วก็อุเบกขาเวทนาก็แตกมาจากเวทนาขบก็คือความเสวยอารมณ์เพราะจากสุขเป็นปัจจัย ก็ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะ่ะก็เรียกตามสถานที่เกิดของเวทนานั้นๆเวทนาเหล่านี้ก็สามารถแยกเป็นอันดีต6ปัจจุบัน6กอนาคต6แล้วก็เกิดขึ้นที่เกี่ยวโยงอยู่กับตัณหาทั้ง3รวมแล้วก็อย่างละ36ก็กลายเป็นเวทนาร0อยด้วยกัน แต่ว่าในที่นี้ทรงจำแนกเวทนาเป็นเก้าซึ่งการจำแนกเป็นเก้านั้นที่จริงระลึกได้ยากคือมันมีสุขทุกข์อทุกขกรมสุขเป็นเป็นสูงกลางแล้วก็สุขล้วนๆสุขทุกข์อทุกขกมสุขในล้วนๆแล้วก็ สุขที่เจือ้วยเหยื่อล่อหรืออมิตรทุกที่เจือ้วยเหยื่อล่อคืออมิตรนะทุกขกมสุขที่เจือ้วยเหยื่อล่อคืออมิตรแล้วก็อทุกกมสุขไม่ใช่คืออทุกกมสุขที่ไม่เจือ้วยเหยื่อล่อเรียกว่านิรามิตรสุขนิรามิตรทุกนิรามิตรอทุกขกมสุข ก็รวมแล้วก็เป็น9แต่าตามปกติในการพิจารณานั้นก็ก็พิจารณากันไปตามความสามารถคือไม่ใช่ว่าแต่รวดเดียวเกข้อเราพิจารณาไม่ทันก็คือพิจารณาไม่ทันเอาเฉพาะที่ทันก่อนให้จิตมันคุ้นให้จิตมีสติแหลมคมมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องมีสัมปชัญญะอย่างเฉียบขาดนันก็สามารถที่จะระลึกได้ในโอกาสต่อๆไป ประการต่อไปก็ใช้ความเพียรสัมปชัญญะสติเหมือนกันแต่็ระลึกอยู่ที่จิตจิตนั้นระลึกในกรณีที่จิตถูกปรุงด้วยกุศลอกุศลสองอย่างก็ แ, แบ่งเป็นสองาภาคภาคหนึ่งเป็นกุศลภาคหนึ่งเป็นอกุศล เช่นวจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าจิตไม่มีราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะเป็นต้นทั้งหมดนี่จะส่งอธิบายส่งอธิบายขยายนานรายละเอียดด้วยพระองค์เองแล้วก็ต่อไปก็เป็นธรรมะใจความเพียรใช้สติ ช่ใช่สัมปชัญญะใช่สติปรลึกถึงธรรมตามนั้นก็หมดแหละทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งกลางๆเป็นกลางกลางก็เป็นพวกอายตนะพวกขันห้าที่เป็นอกุศลก็เช่นนิวร์เช่นเป็นที่เป็นกุศลก็เช่นโกชงจิตอริมักเ ม, มงแปดนิโรธ แล้วก็ที่เป็นกลางกลางก็เช่นทุกข์ที่เป็นอกุศลก็เช่นสมุทัยนี่ก็คือเป็นเป็นบทย่อในแต่ละตอนของสติปัฏฐานสุขแล้การต่อไปก็ทรงแยกเป็นอานาปนาปภะก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเอง กรรมากายก็คือแหล่งเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลก็ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนะฮะมันก็เป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรภิกษณภิกษุในธรรมในนี้ ไปสู่ป่าก็ดีอยู่สู่กวงพวงไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้จฉพะหน้าหมายความว่าไปนั่งคูบันลางตั้งกายตรงแล้วก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งก็กระทบทางสมุปทางจมูก ส่วนจะกระทบช่วงไหนเด่นก็ค่อยว่ากันไปตามกรณีของใบรูปใบหน้าของบุคคล ร, รูปใบหน้าของบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันมันปรากฏชัดในตอนไหนก็ดูมันตอนนั้นทีนี้ในช่วงแรกสี่ข้อเนี่ยดูลมตามที่ปรากฏหมายความว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นลมหายใจเป็นอย่างไรเราก็ดูมันตามนั้นในชั้นแรกก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นแหละเงี้ยเพื่อให้จิตมันมีที่ตั้งสติมันมีที่ตั้ง ตั้งอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ส่วนเกิดอาการความเปลี่ยนแปลงทางจิตมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันเองถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ดูมันไปอย่างนั้นดูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอยู่อย่างนั้นที่ในปัจจุบันได้พยายามปรับใช้วิธีที่มันง่ายขึ้นหรือท่านสมัยพระโบราณอาจารย์คือสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมัน แต่สติปัญญาในทางธรรมทัานสูงมันจับป้าท่านก็ไปได้ไอเราก็สติปัญญาทางธรรมไม่สูงพอก็ทาเท่าที่ทำได้ไปก่อนก็ตายระดับไปก่อนแล้วในช่วงที่สองก็ย่อมสัมเนียกว่าเราจากเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกเรา ย่อมสำเนีกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนีกว่าเราจักระงับกายยสังขารหายใจออกนี่ก็ชุดหนึ่งหมายความว่ารู้กองลมแล้วก็รู้จักกองลมเป็นผู้รู้จักกองลมทั้งปวงแล้วก็รู้จักการ กองลมก็คือกองลมที่มันเป็นเป็นเราดูลคล้ายๆจะเป็นสายลงไปจะเป็นสายลงไปถ้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าเราก็ตามไปหายใจออกเราก็ตามไปไปขาดที่ไหนก็ตั้งต้นจะออกมาก็ออกมาที่นั้นออกมาที่ไหนก็เข้าเข้ากลับไปทางนั้นก็ดูกันไปจนกว่าจิตใจจะสงบ เลยจากนั้นกายสังขารระงับเนี่ยเราจกระงับกายจสังขารกายสังขารก็คือลมหายใจเข้าออกคือในสังขารกรณีเนี้ยกันแบ่งเป็นสามประเภทคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารก็คือลมหายใจเข้าออกวจีสังขารก็คือการศึกนึกแล้วก็ จิตสังขารก็คือสัญญากเวทธนาหมายความมาถ้าอาการลรงนี้เขาปรากฏ น, นนะถ้าไม่ปรากฏก็คงอยู่สี่ชุดเดิมอยู่นั่นเองแต่ถ้าปรากฏก็ดูตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของเวทนาหมายความมาทรงแสดงกายเวทนาจิตธรรมไปตามลำดับนั่นแหละ แต่ว่าดูที่ลมหายใจเป็นที่ตั้งเป็นที่กำหนดรู้พระพุทธเจ้าตอนมาเป็นเพียรก็ทรงใช้ลมหายใจเขาออกส่วนใหญ่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ใช้ลมหายใจเข้าออกแม้ในปัจจุบันครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ใช้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ต้ อ, อุปมาว่าเหมือนกระช่างกรึงหรือว่าลูกน้องในช่างกลึงที่ฉลาด เวลาเขากรึงเนี่ยเเชือกบันก็จะผูกมัดแต่สิ่งที่กรึงอยู่แล้วเขาก็หมุนในตัวลูกกรึงไปจาง ก, กรึงก็จดจอไอ้ไอ้เหล็กหรืออะไระตีสมบัติกดส่วนต้องการจะกลึงให้รูปร่างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็กดไว้ตรงนั้นน่ะมันก็หมุนก็มันไปจาง ก, กรึงก็ ทีบเชือกให้มันไม้มันหมุนไปแล้วก็ตั้งตาระลึก ร, รู้อยู่ในจุดซึ่งซึ่งลงกระทบลูกกลึงตรงนั้นจะข้าออกยาวสั้นอย่างไงก็ตามก็ดูไปตามนั้นหมายความว่าลูกรึงบางช่วงมันก็ใหญ่บางช่วงมันก็เล็ก บางช่วงต้องการเบาๆเส้นเล็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับเหล็กที่ทบที่กระทบที่ขูดกับลูกกลึงก็ดูไปเรื่อยๆหรือจะเทียบง่ายๆเหมือนกับยามที่เฝ้าประตูใครเข้ามาเขาก็ ไห้รู้ว่าใครเข้าใครออกก็ให้รู้ว่าใครออกแต่ออกไปแล้วจะไปไหนเข้าไปแล้วจะไปไหนนั้นเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งตัวเองมีหน้าที่รู้ว่าใครเข้าใครออกตอานั้นเองแล้วควรให้เข้าหรือควรไม่ให้เข้าควรให้ออกหรือควรไม่ออกก็ว่ากันไปเป็นกรณีกรณีไปทีนี้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 แล้วยอมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ายอมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกกองลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่ถ้าเราดูให้ดีฝึกมาใ้ดีเราจะเห็นคล้ายๆกับรู้สึกเห็นเป็นเป็นคลื่นเป็นมวลกองลม ที่ที่ขึ้นขึ้นลงลงเข้าเข้าออกอยู่ในในในท้องของในช่องท้องของเราเนี่ยก็ก็ดูไปและย้อนสังเกว่าเราจะระงับกายจะสังขารหายใจเข้าระงับกายจะสังขารหายใจออกคือลมหายใจเวลาเราหายใจไปหายใจไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขก็ก็อ่อนลงถ้าเขาอ่อนลงก็ดูที่มันอ่อนลง จนถึงบางคราวในลมหายใจคล้ายๆจะหายไปเลยเหมือนไม่มีลมหายใจคนก็อาจจะตกใจว่าตัวเองจะตายแล้วก็ท่านก็สอนเรงหลักการวิธีการในการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออ ก, กว่าตามปกติคนเราที่อาจจะเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเนี่ยมันก็มีคนดำน้ำํามีคนเป่าปีมีคนตายมีคนที่ ข้าสัญญาเวดิต า, านิโรตอะไรเนี่ยคือมันมีคนอยู่ไม่กี่พวกเราไม่ได้อยู่พวกนั้นทั้งพวกหนึ่งเพราะงั้นลหมหายใจเราก็คงมีอยู่เป็นปกติธรรมดาแล้วก็ตั้งใจกำหนดระลึกไปเรื่อยๆแล้วรับสั่งว่าด้วยเหตุดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในภายนอกบ้าง กายภายในกับกายในภายนอกเนี่ยกายภายในก็คือกายเรากายภายนอกก็คือกายคนอื่นหรือว่าส่วนหนึ่งเช่นว่าลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นก็ายส่วนหนึ่งลมหายใจออกเนี่ยก็เป็นกายส่วนหนึ่งลมหายใจที่หยาบเนี่ยก็เป็นกายส่วนหนึ่งลมหายใจที่ละเอียดเนี่ยก็เป็นกายส่วนหนึ่งพิจารณาเห็นภายในตั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นทั้งธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปภายหลังบ้างอยู่หรือว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียง เพื่อความรู้เพียงเพื่อความระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในในโลกภิกษุทั้งหลายแม่เหล่านี้ภิกษุชื่อว่าพิจนาเห็นกายในกายอยู่และการต่อไปก็คือ ภิกษุพิจารณาภิกษุทั้งหลายอิเดียบทนะฮะดูอิเดียบทอิเดียบทก็กายเนี่ยการเคลื่อนไหวของกายก็ยืนเดินนั่งนอนอิเดียบทใหญ่นีเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนเมื่อภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานอนอยู่หรือเธอตั้งกายได้ไว้ด้วยอาการอย่างไรก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นโดยเหตุดังพันนามานี้ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายในในภายในบ้างเห็นกายในกายในภายนอกบ้าง นี้เรียกว่าพิจุณาพิกกภิษูพิพจารณาเห็นกายในกายคือหมายความว่าอิริยาบถนั้นเราอยู่อิริยาบในใดก็ได้แต่ว่าตั้งสติระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถนั้นๆยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนแล้วสติกำหนดจอดจ่ออยู่กับอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ประการนั้นจนจิตสงบ พอพอิจสงบปัญญามันก็จะเกิดคือตามตามปกติสมาธิพอมันเกิดขึ้นจากนั้นปัญญาก็เกิดแล้วเขาก็พิจารณาเขาเองเพราะว่าเวลาเขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาพอถึงจุดหนึ่งก็ปัญญาก็สอนคนคนนั้นไม่จาเป็นจะต้องมีใครมาแนะนำสั่งสอนอะไร แล้วข้อต่อไปเรียกว่าสัมปชัญญปะปัปพะสัมปชัญญปะปัปพะนั้นก็คืออิยาบททั้งหลายนั่นแหละอิยาบททั้งหลายรวมนั่งยืนเดินนั่งนอนก็รับสั่งว่าพิกษตรทั้งหลายประการหนึ่งพิกษตเป็นผู้กระธรำสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับในการมองและการเลี้ยว ในการคุกข้าวแล้วก็เหยียดออกในการทรงผ้าสังขติบาทรจีวรในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระแล้วก็ถ่ายปัสสาวะในเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลาลับเวลาตื่นเวลาพูดเวลานิ่งโดยเหตุดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายในบ้างพิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในภายในอยู่ข้อนี้ก็เหมือนกันคือสรุปว่าเอาอิริยาบถย่อยขึ้นแต่ที่จะเอาจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเอาทุกอิริยาบถหมายความว่ามีสติกํากับในอิริยาบถ ท, ท่างหลายอยู่ทุกอิริยาบถแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงในแต่ละขณะว่าขณะนี้เรายืนเราเดินเราดังเรานอนเราขับถ่ายเรา รองสังกติเราปุ้มบาทเราถือจีวร อ, อะไรต่างๆหมายความว่ามีสติกำกับในริยาบททั้งหลายอยู่หนึ่งๆไม่ให้อ่อนไหวไปกับอารมณ์ตัวอื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ที่เรากำหนดระลึกทีนี้พิจนากายมาก็สามมีลมหายใจเข้าออก ก็มีอิริยาบถแล้วก็มีสัมปชัญญะตรงนี้ไม่ได้เน้นที่ความปฏิกูลอะไรของร่างกายเพียงแต่เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นภาพ ร, มรวมๆยืนเดินนั่งนอนก็เป็นภาพ ร, มรวมๆแม้แต่ภาพย่อยๆหรือลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นภาพ ร, มรวม ทีนี้คนที่มีความกำหนัดเบิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่กับวิฎกบททั้งหลายเนี่ยอยู่กับกายเนี่ยตามปกติแล้วใจก็จะมีตัณหาเเรียกตัณหาจริตตัณหาจริตกล้าปัญญาน้อยไม่ค่อยสามารถจะคิดเห็นในไรได้อย่างลึกซึ้งละเอียดมากพอเพราะงั้นทัาน ก, ก็ทรงสอนข้อต่อไปว่า ภิกษุทั้งหลายประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังห้ามอยู่ห้ามอยู่โดยรอบหุ้มอยู่โดยรอบเต็เมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในกายนี้ มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปืดไตปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสล็ดหนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเรียบเหมือนกระไย้ยมีปากสองข้าง แล้วก็เขาก็ใส่พวกธัญญาชาต่ตางๆเข้าไปในท้ายเหล่านั้นนานาชนิดจะเป็นข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีในตาดีแก้ท้ายนั้นแล้วก็พึงเห็นได้ว่ามีพวกสิ่งที่ใส่เอาไว้นั่นเองกระกจายอยู่ร่างกายเราเมื่อก็ปูนก็อยู่อย่างนั้นคล้ายๆกับเราชาแหละออกมา โดยเห็นว่าก็ปนกันรุงรังไปหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรยิ่งในท้องและยิ่งไปกันใหญ่ในท้องในลำไส้เนี่ยิ่งไปกันใหญ่ว่าเห็นของมันปนกันอยู่มากมายกายกองพิสูจนนั้นก็เหมือนกันยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็เมไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ อันนี้คือเพื่ออะไรก็เพื่อจะพิจารณาให้เห็นร่างกายว่าเป็นของปฏิกูลเพราะมันติดกายมาเนี่ยติดกายสั่งของตนเองเลยของบุคคลอื่นรูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะเรารอเราสวยอะไรต่ออะไรต่างๆจนในที่สุดก็ก็จะเห็นเหมือนกันเอกายตนหรือกายบุคคลอื่นหรือกายในกายนอกมันก็คือกันนั่นแหละ เป็นที่ตั้งแห่งของปฏิกูลนา น, า, นาชนิดกุกายเนี่ยเรียกมาจากกุอายะแปลว่าแหล่งรวมหรือแหล่งประชุมของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆจากนั้นก็พยายามที่จะบรรเทาความกำนัดความเพลิดเพลินความชื่นชมยินดีในร่างกายของตนเองออกไป การต่อไปก็คือเรียกว่าธาตุปปราพคือแยกร่างกายออกเป็นธาตุสี่เอาเฉพาะธาตุสนะี่ะคือธาตุจริงๆมันมีหกคือดินน้ําลงไฟอากาศวิญญาณแต่ว่าอิน้ําลงไฟเนี่ยมันยากพอที่จะเห็นได้ง่ายในตอนตอน้ตนๆแต่ว่าอากาศกับวิญญาณเนี่ยมันเป็นธาตุละเอียด ก็ใช้พิจารณาเหมือนกันแต่พิจารณาเมื่อจเจริรนากาสานัญญาตนะในรูปฌานแล้วก็วินจาในในรูปฌานในอรูปฌานนะฮะวินจาวิญญาณัญญาตนะในอรูปฌานเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดแต่ใจไม่ถึงจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ อย่างนั้นก็ไปดูซากศพคือถ้ายังไม่เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายดูของเรามาเยอะแล้วก็ยังไม่เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดเพราะงั้นก็ไปดูกายคนอื่นกายคนอื่นที่ปกติอยู่มันก็ดูยากอยากเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะงั้นก็ให้ไปดูที่ซากศพซึ่งมีประเภทต่างๆ ก็มีเก้าเก้าลักษณะด้วยกันเป็นความเปลี่ยนแปลงของซากศพไปตามกาลเวลานะฮะเช่นว่าศพตายไปห้าวันศพตายไปสิบวันศพตายไปสิบห้าวัน อ, อะไรต่างๆเนี่ยสภาพทั้งหลายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเออไปเจอซากศพไหนก็ดูซากศพนั้นหรือว่าดูจนเกิดว่ามันชัดอ่ะ จากศบเจ้นี้เนี่ยสมหรับเราเก็ดูได้ชักดก็เห็นได้ชัดและจิตใจก็จะไม่แปรผันไม่กลายเป็นความหวาดกลัวหรือรังเกยียจขยะขยงก็เริ่มรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วนั่นก็ปริยายของซากศบสรุปรวมอย่างนั้นนะ่ะคือดูซากศพประเภทต่างๆ ต, ตามที่ตนได้เห็นในป่าชาซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยมันมีป่าชาผีดิบ ศาสนาสโรตเตอร์หรือศาสนาเปอร์เซียเนี่ยเขาใช้การทิ้งศักดิ์พเวลาคนตายเขาก็ไปทิ้งศักศพแล้ว ก, ก็ว่ามาเรื่อยจนมาถึงจุดหนึ่งก็อีประการหนึ่งเปรียบเหมือนภิกษุพึงเห็นศรีราที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาเป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสัง เป็นกระดูกเป็นกองที่เรียรา่าดรราดอยู่เก่าเกินไปเป็นหนึ่งปีไปแล้วเป็นการเป็นกระดูกที่ผูละเอียดเอยยอมน้องเข้ามาสู่กายนี่แหละว่าถึงร่างกายนี้เล่าก็มีความอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้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 หรือว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นี่ก็เรียกว่านวสิกาปะพะคือดูให้เห็นซากศพทั้งเา ระสบก็ที่จริงก็ร่างกายเราก็สบเป็นนั่นนะพอตายปั๊บเราก็เป็นศบตายพออายุเริ่มมากมันก็เริ่มคิดนะเริ่มคิดถึงเรื่องความตายว่ามันจะปรากฏปั๊บขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่รู้ปรากฏก็ปรากฏอนะพอพอตายแล้วเราก็ไม่รู้ยนะไม่รู้ว่าเราตายแต่ว่า อาจจะรู้สถานที่เกิดว่าเราไปเกิดในที่ไหนประการต่อไปก็ให้ดูที่เวทนาเวทนาก็อย่างที่บอกว่าเป็นเวทนาเก้าประการตามที่ยกมาแสดงรับสั่งว่าภิกษุในธรรมีนในนี้สเสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสเสวยสุขเวทนา เสวยทุกขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าโรเสวยทุกขเวทนาเสวยทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าโราเสวยอทุกขมสุขเวทนาหรือเสวยสุขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าโรเสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าโรเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตร หรือเสวยทุกเวทนามียมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนามียมิตรหรือเสวยทุกเวทนาไม่มีมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนาไม่มีมิตรหรือเสวยทุกเวทนามีมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนามียมิตรหรือเสวย อุทกกรมสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอุทุกรรมสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็สรุปว่าเวทนาที่เราเสวยนี่เฉันสมมติว so ่าสุขเนี Cert ่ยสุขมันมีเหตุกระตุ้นในสุขหรือไม่ถ้ากระตุ้นในสุขเขาก็เรียกว่าอามิตถ้าไม่กระตุ้น เกิดโดยปีติสมนัตอะไรตะไรต่างๆมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่านิรามิตรคือไม่มีตัวกระตุน้นแล้วรับสั่งแล้วว่าด้วยเหตุ ด, ดังพันนามานี้ภิกษุย่อมพิจารณาหินเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาหินเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาหินเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างติสูเห็น ทำเป็นเหตุเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นทำเป็นเหตุเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นทั้งทำเป็นเหตุเกิดขึ้นทั้งทำเป็นเหตุเสื่อมไปในเวทนาบ้างอยู่หรือหรือว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยรู้ ยังสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วแล้วไม่มีอะไรมัน่นไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาคือสรุปรเวทนานั้นตอนแรกเราดูตามที่มันปรากฏ เป็นสุขเฉยๆเป็นทุกข์เฉยๆเป็นอาทุกขกมาสุขเฉยๆเป็นสุขเจืออามิตรทุกข์เจืออาม i t h อทุกขกมาสุขเจืออามิตรอทุกขมาสุขคือไม่สุขไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์นะฮะแล้วก็สุขที่เจือด้วยอามิตรที่ไม่ไม่ใจ้ไม่ไม่เจือด้วยอามิตรทุกข์ที่ไม่เจือด้วยอามิตรแล้ว ทุกกามสุขที่ไม่เจือด้วยมิตรคือหมายความมาเห็นไปทั้งสามด้านไปทั้งสี่ด้านน่ะสี่ด้านของเรื่องเหล่านั้นจากนั้นก็พิจารณาที่จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานคือในเวทนาเนี่ยตัณหากล้าเหมือนกันตัณหาปัญญามาก แต่หาไม่ไม่ไม่กล้ามากหรอกแต่ว่าปัญญามันมากทีนี้ปัญญามันมากเนี่เธอก็จะไม่ติดในส่วนที่เป็นรูปธรรมอย่างกายแต่จะมาติดในสุขเวทนาเช่นพวกหรือสีชีพัยที่เข้าชาญอยู่ในปา่ามีลมเป็นอาหารอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ท่านก็สุขหรือเวทนาอย่างที่ท่านท่านคิดว่าดีที่สุดท่านก็สัมผัสอย่างนั้น เปิดพระเจา้าก็วางกรรมฐานข้อวทนานุปัสสนาสติปัฏสานเอาไว้ทีนี้ข้อต่อไปก็ดูที่จิตจิตคือธรรมชาติที่คิดอารมณ์ธรรมชาติที่รับอารมณ์ธรรมชาติที่จําอารมณ์ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นนามธรรมที่ก็มีอยู่ในกายเราเนี้ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละท่าน บอกว่าอยู่ที่น้ำเลี้ยงหัวใจบ้างอยู่ที่รู้จ้าใช้ใช้คำวมากูหาสย่งคืออยู่ในร่างกายร่างกายองเรานี้แต่ก็มันก็ดูไม่คยทันนะฮะว่ามันอยู่ที่ไหนมันไปเร็วเหลือเกินลองสังเกตว่าเราเดินเหยียบเอาฝ่ายเล็กๆ เ, เ, เนี่ยปวดจีดขึ้นถึงสมองเลยมันเร็วมาก เลยแต่ตัวจิตที่ทำหนะ้าที่รู้ความร้อนของไฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่สรุปก็รู้เร็วกว่าไปได้เร็วลลึกรู้ทันได้เร็วก็ต่อไปก็ดูจิตเป็นคู่คนะฮะดูจิตเป็น ค, คู่ว่าภิกษุทั้งภิกษุในธรรมใ น, นี้จิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาหรือ จิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะหมายความดูตัวมีหรือไม่มีราคะถ้ามีราคาก็คือมีราคาไอ้มีชัดเจนว่ามันมีราคะในตอนตอน้ตนๆนั้นเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากแต่ความรู้เห็นว่าราคามีการแผดเผาจิตใจให้มีความร้รอนนะ่ะมันเกิดขึ้นเอง เราก็สะสมข้อมูลไว้ยังงันก่อนดูไปตามลาดับนั้นก่อนแล้วก็ต่อไปมันจะเห็นไม่เที่ยงมันจะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของจิตไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตไปให้แปรผันไปด้วยประการต่างๆเพราะในการที่จิตไม่มีราคาอาจจะมีโทสะมีโมหะมีความสงบมีความหลุดพ้นมีสมาธิอะไรก็ได้ เพียงแต่ว่าจิตเวลานั้นมันเป็นยังไงก็รู้เห็นมันไปตามนั้นรู้เห็นตามที่มันเป็นจริงแล้วเราก็สะสมข้อมูลเกี่ยวกับความจริงของมันด้วยจิตที่สงบมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยด้วยความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องแล้วก็ มีสัมมชจัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสติความระลึกได้ระลึกทันรึกออกรู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะเอามีโทสะก็รู้ แล้วก็เราเห็นความ ร, าร่าเรอนของโทสะที่เผาล่นใจเราให้เกิดความ ร, าร่าเรอนในขณะเดียวกันจิตที่ไม่มีโทสะเราก็รู้การไม่มีโทสะอาจจะหมายมีกิเลสอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าในที่นี้เน้นไปที่การไม่มีไม่มีโทสะก็ จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปรตาศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปรตาศจากโมหะโมหะเป็นจิตที่คิดพล่านคิดฟุง้งซ่านไปในเรื่องต่างกํากำหนดทิศทางให้แน่ชัดให้ชัดเจนลงไปไม่ได้ก็คิดสายคิดไปเรื่อยเรื่อยมือลอยไปเรื่อยๆ จนถึงก็จุดหนึ่งก็รำคาญตัวเองที่จิตคิดไปเป็นอย่างนั้นทีนี้จิตโถดถูหรือจิตฟุ้งสั้นอาการที่จิตโถถูเนี่ยมันเป็นอาการของฉีนมิทะอาการในจิตฟุ้งสั้นเนี่ยเป็นอาการของจิต ท, ที่เป็นอุทธะคือฟุ้งสั้น ส่สายเล่นไปในอรงต่างๆก็รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตฟุง้งซ่านหรือจิตเป็นมากตะคือเป็นใหญ่เป็นมีพลังเหนืออำนาจของกิเลสที่มาปรุงให้แปรผันไปอย่างน้อยก็เป็นสมาธิแหละอน้อยก็เป็นสมาธิก็รู้ชัด ทีนี้เราจะเห็นว่าจิตมันมีฝ่ายที่เป็นคุณกับฝ่ายที่เป็นโทษเมื่อเราชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นคุณฝ่ายใดเป็นโทษส่วนที่เป็นคุณก็พยายามประคับประคองไว้รักษาไว้รักษาจิตให้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นมหาการะไม่ฟุ้งสั้นไว้ได้นา น, านให้รักษาได้นา น, านก็ กี่นาทีก็ไม่รู้แหละก็รักษากันไปเป็นการค่อยๆต่อสู้ค่อยๆเสริมพลังฝ่ายบวกคือฝ่ายกุศลขึ้นขึ้นไปให้มีกำลังมากขึ้นแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งจิตมันก็มีกำลังในการที่จะต่อสู้ต้านทานกับอารมณ์อันเป็นขัดึกจากนั้นจิตใจของท่านก็จะหนักแน่นมั่นคงให อ่อนไห้ไปตามกระแสอารมณ์ทั้งหลายหรือจิตเป็นอนุตรนตริยะอนุตตริยะแปลว่ามีธรรมอื่นที่ยิ่งไปกว่าหมายความว่าสูงกว่าสูงกว่าในขณะเดิมเจนว่าในขณะนั้นน่ก็ได้ฌานอยู่หรือว่าได้สมาธิอยู่ก็ขึ้นไปจนถึงฌานแสดงว่าจิตมันก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่าจิตตั้งมั่น ตั้งมั่นนี่ก็เป็นสมาธินะฮะตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตเราตั้งมัน่นหรือว่าจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตตั้งมั่นก็หมายความว่าอยู่กับสมาธิจิตทําหน้าที่สงบนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงบจากกามฉันลงไปได้แล้วก็ เมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมัน่นทีนี้ถ้าจิตหลุดพน้นหลุดพน้นเป็นยังไงล่ะหลุดพน้นเป็นขณะหลุดพน้นเป็นขณะขณะไปหลุดพน้นจากอำนาจกิเลสนะฮะเป็นขณะขณะไปแม้แต่ว่าหลุดพน้นจากอำนาจของกุศลก็รู้ว่าจิตมันตกะจิตมันแตกมันวิ่งออกไปจากกระแสของกุศล ก็พยายามดึงกลับเข้ามาหากุศลธรรมภายในใจก็อะไรล่ะทาคล้ายๆกับเราประคับประคองเส้นบรรทัดให้มันตรงขยับข้าวขยับออกขยับดึงให้ตึงอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยกว่าจะตรงแล้วค่อยๆดีดเส้นบรรทัดลงไป การฝึกจิตก็จะมีลนะักษณะทำนองนั้นคล้ายๆกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งในการฝึกปรือสตามหลักของสติปัฏฐานทั้งสี่พอจากนั้นก็จะพินจารณาเห็นกายในกายทั้งที่เป็นภายในกายในกายทั้งที่เป็นภายนอกหรือว่าเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นต้นนี่นะนี่ก็เป็นเรียกว่า เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องฟังทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายด้วยทั่วกันสวัสดี